เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาคู่ฝ่ายทรรทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่สิบก้ามีนาคมพุทธศักราชสองพันห้ารยห้าสิบแปเป็นวันพระวันธรรมวสวนาวันฟังธรรม วันที่สาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเติมบุญเติมบรารมีที่เป็นเหมือนซั์ที่จะเอาติดตัวไปได้เรียกว่าซั์ภายในไม่ใช่ซับภายนอกซั์ภายนอกเอาไปไม่ได้เช่นดาวยอดสัตวเสริญความสุขทางตาหูจมูนกนิ้วกาย เอาติดตัวติดใจไปไม่ได้สิ่งที่จะเอาติดใจไปได้ก็คือทรัพย์ภายในที่เกิดจากการสร้างบุญบรารมีต่างๆอย่างที่เราเคยได้สร้างมาในอดีตชาติทำให้พวกเราที่มาเกิดในชาตินี้มีความสุขมีความเจริญมีความร่ารวย มีความยิ่งใหญ่ไม่เท่ากันเนื่องจากการสร้างบุญบารมีของแต่ละคนนี้สร้างมาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันผลจึงทำให้พวกเราที่มาเกิดในโลกนี้มีความแตกต่างกันแตกต่างกันด้านฐานะการเงินการทองแตกต่างกันที่รูปร่างหน้าตา แตกต่างกันที่สติปัญญาความรู้ความฉลาดแตกต่างกันที่อายุบางคนก็อายุยืนยาวนานบางคนก็อายุสั้นแตกต่างที่สุขภาพบางคนก็มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงบางคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยน ต่างกันที่อวัยวะที่มีมากมีน้อยไม่เท่ากันบางคนก็อาการไม่ครบส2มสิบสองหนวหนตาบอดสิ่งเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากการได้สร้างบุญบา ร, รมีหรือไม่ได้สร้างบุญบา ร, รมีจึงทำให้พวกเรานี้มีบา ร, รมีไม่เท่ากัน เพราะบารมีนี้ต้องสร้างกันเองไม่มีใครทําให้กันได้เพราะว่าแข่งโลถแข่งเรือพอแข่งกันได้แตแ่แข่งบุญบารมีนี้แข่งไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างมาในอดีตชาติอย่างชาติหน้าถ้าเราอยากจะให้เราดีกว่าชาตินี้เราก็ต้องสร้างบุญบารมีให้มากๆ แล้วเวลาเรากลับมาเกิดในชาติหน้าเราก็จะดีกว่าเดิมรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเดิมฐานะการเงินการทองดีกว่าเดิมสติปัญญาความรู้ความฉลาดมีมากกว่าเดิมอายุยืนยาวกว่าเดิมสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกว่าเดิมนี่เป็นเหตุและผล ที่เราสามารถทำได้และรับผลได้ที่เราไม่ได้ทำกันก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้กันเราไม่มีใครบอกชาตินี้เป็นชาติที่ดีของพวกเราที่เราได้มาพบกับผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าที่สงสอนให้เรารู้ว่าเรายัางต้องเดินทางต่อไป เราต้องกลับมาเกิดใหม่เราต้องสร้างทรัพย์ภายในเพื่อที่เราจะได้เอาทรัพย์ภายในไปกับเราแล้วเวลาเรากลับมาเกิดทรัพย์ภายในนี้ก็จะแปลงเป็นทรัพย์ภายนอกต่อไปนี่คือสิ่งที่พวกเราควรเชื่อถ้าเราเชื่อแล้วเราก็จะได้มีความยินดี ที่จะมาสร้างบุญบารมีอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้มาสร้างกันในวันนี้บุญบารมีที่จะเป็นสร้างภายในของเราคืออะไรก็คือเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีสนับสนุนด้วยอธิษฐานบารมีสัจจะบารมี เวลายาบารมีและขันติบารมีการจะสร้างบารมีต่างๆได้สิ่งแรกบาลมีข้อแรกที่เราต้องมีก็คืออธิฐานบารมีอธิษฐานนี้ญาติโยมมักจะเข้าใจผิดกันคิดว่าเป็นการขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ไม่ได้เป็นความหมายของอธิฐานบารมี อธิษฐานบารมีนี้ความหมายที่แท้จริงก็คือการตั้งใจการตั้งใจที่จะสร้างบารมีต่างๆเพราะว่าผลที่เราอยากได้เช่นความสุขความเจริญเกิดจากเหตุคือการสร้างบารมีนั่นเองถ้าเราไปอธิษฐานที่ผลขอให้ได้สุขให้เจริญให้ได้มรรคได้ผลได้ผลิพาน ขอไปจนตายอีกร้อยล้านชาติก็จะไม่ได้ผลเพราะผลมันไม่ได้เกิดจากการขอผลเกิดจากการกระทำถ้าเราตั้งอธิษฐานว่าจะสร้างบา ร, รมีสร้างทานสร้างศีลสร้างเมตตาบา ร, รมีสร้างปัญญาบา ร, รมีสร้างเนคขมารบารมีแล้วเราดําเนินตามที่เราตั้งใจเอาไว้ พอเราสร้างแล้วเดี๋ยวผลก็เกิดขึ้นเองเหมือนกับการสร้างบ้านเราอยากจะสร้างบ้านถ้าเราไปอธิษฐานว่าขอให้ได้บ้านนั่งขอจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะได้บ้านแต่เราต้องตั้งอธิษฐานที่ว่าจะสร้างบ้านจะหาเงินจะไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างจะไปจ้างช่า ง, งมาสร้างบ้านถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวก็ได้บ้าน ดังนั้นอธิษฐานบารมีจึงไม่ใช่เป็นการขอเป็นการตั้งเป้าหมายตั้งเงื่อนไขตั้งข้อบังคับให้แก่ตัวเราถ้าเราไม่มีข้อบังคับเรามักจะโลเลมักจะเกียจคร้านอยากจะได้แต่ไม่อยากจะทำจึงมักจะไม่ได้อะไรกันเพราะว่าการจะได้อะไรนี้ต้องเกิดจากการกระทำดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องฝึก คือสร้างอธิษฐานบา ร, รมีขึ้นมาเช่นเราต้องตั้งใจว่าต่อไปนี้จะสร้างทานบา ร, รมีทุกวันทานบา ร, รมีก็คือการให้ให้อะไรก็ได้อย่างพระมาเดินผ่านหน้าบ้านเราเราให้ข้าวกับปลาอาหารนี่ก็เรียกว่าเป็นการสร้างทานบา ร, รมีแล้วถ้าไม่มีพระมาให้คนอื่นก็ได้ให้ขอทานก็ได้ ให้เดลฉานก็ได้มีสุนัขมีแมวผ่านมาหิวโซเซไม่มีอาหารเราก็ให้อาหารเขาไปอันนี้ก็เรียกว่าทานบา ร, รมีให้ใครก็ได้ให้คนในบ้านก็ได้ให้พ่อให้แม่ที่เป็นเหมือนพระอรหันต์ของลูกๆก็ได้ทำบุญกับพ่อกับแม่ได้บุญมากเท่ากับทำบุญกับพระอรหรันต์ จึงไม่ต้องไปวิ่งหาพระอาหารหันต์นอกบ้านให้เหนื่อยยากดูแลพระอาหารหันต์ในบ้านให้ดีก่อนแล้วพอออกพอพระอาหารหันต์ในบ้านสุขสบายแล้วค่อยออกไปนอกบ้านไปทําบุญกับพระอาหารหันต์นอกบ้านต่อไปเพราะพระอาหารหันต์นอกบ้านนี้มีของดีแจกพระอาหารหันต์ในบ้านไม่มีพระอาหารหันต์และนอกบ้านมีอะไรแจกก็มีธรรมะนี่เองมีปัญญา มีปัญญาบารมีแจกพวกเราถ้าเราไม่ได้พบกับพระอาหารหันต์อย่างพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้จักวิธีสร้างบุญบารมีต่างๆขึ้นมานี่คืออธิษฐานต้องตั้งใจอย่างวันนี้ญาติโยมก็อธิษฐานด้วยการสมาทานศีลห้าอันนี้ก็เรียกว่าอธิษฐานบารมีวันนี้ญาติโยมกล่าวคำ ติสลาเนนสหปัญจสิลานิยาจามาข้าพเจ้าวันนี้จะขอรักษาสิ่ห้าอันนี้ก็เรียกว่าอธิษฐานบารมีแล้วถ้านักษาตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ก็เรียกว่าสัจจะบารมีถ้าอธิษฐานแล้วขอสมาทานสินเสร็จแล้ว พอออกไปนอกวัดก็ทิ้งไว้ที่ที่หน้าวัดศีลไม่เอาติดตัวไปได้ไปด้วยออกไปก็ไปพูดปดไปโกหกไปหลอกลวงไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปดื่มสุรายาเมาอย่างนี้เรียกว่ามีอธิษฐานแต่ไม่มีสัจจะญาติโยมนี้มีสัจจะ ก, กันไม่วันนี้มาอธิษฐานกันแล้วว่าจะลักทาศีลห้าออกจากวัดไป ยังจะเอาศีลห้าติดตัวไปด้วยหรือเปล่าหรือจะฝากไว้ที่วัดไว้วันพระน้ า, นาค่อยมาขอใหม่ถ้าขอแบบนี้ไม่มีวันที่จะได้ศีลบารมีศีลบารมีนี้สําคัญอย่างที่ได้แสดงไว้ในท้ายศิ่งว่าซี่เลงนะสุขติยันติศีลเป็นเหตุที่ทําให้ไปสู่สุขติเวลาคนตายไปเรามาักจะ อวยพรให้เขาว่าขอให้ไปสู่สุกติไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดคำว่ า, าสุ ก, กติก็คือพบของมนุษย์พบของเทวดาพบของพระอริยเจ้าท่านต่างๆาผู้ที่จะไปสู่สุ ก, กติได้ต้องมีศีลบา ร, รมีต้องรักษาศีลห้าถ้าไม่รักษาศีลห้าขออย่างไรอวยพรอย่างไรก็ไปไม่ได้เพราะว่า ไม่มีน้ำมันเหมือนกับรถยนต์ถ้าไม่เติมน้ำมันรถก็วิ่งไม่ได้ต่อให้คนขับขอให้วิ่งอย่างไรมันก็ไม่อยอมวิ่งแต่ถ้าไปเอาน้ำมันมาเติมให้มันไม่ต้องขอมันก็วิ่งได้ถ้าอยากจะไปสู่สุขติไปสู่ที่ชอบที่ชอบก็ต้องรักษาศีลห้าไว้ให้ดีนี่คือบารมีที่จะทําให้เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าขาดศีลห้า ส่งสถานที่ที่เราต้องไปก็คือพบของเดรัจฉานพบของเปรตพบของผีพบของสัตว์นรกผู้ที่ไม่รักษาศีลห้าจต้องไปเกิดในภพทั้งสี่ที่เรียกว่าอบายนี่คือประโยชน์ของการสร้างศีลบารมีถ้าเราไม่สร้างศีลบารมีเราก็ต้องไปรับ ใช้กรรมต่างๆแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้สร้างบารมีกันเพราะพบชาติที่จะสร้างบารมีได้ก็คือภบของมนุษย์นี่เอพบอื่นๆนี้เป็นที่ไปรับผลของบุญของบาป ท, ที่เราทําไว้ไม่มีโอกาสสร้างบารมีเหมือนกับมนุษย์อาจจะสร้างได้บ้างก็เล็กๆน้อยๆอย่างลิงกับช้างที่ไปอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าขนาดเป็นเดรัจฉาน แต่ใจของเขาก็ยังไฝ่บุญใฝ่กุศลชาติก่อนๆเขาเคยเป็นมนุษย์เขาเคยทำทานเคยรับใช้พระสงฆ์องค์เจ้าแต่พอชาตินี้เขาพลาดไปไปทาบาป ก, ก็เลยต้องไปเกิดเป็นลิงเป็นช้างแต่ก็บุญของเขาที่มีพระพุทธเจ้ามาโปรดเขาก็เลยได้มีโอกาสได้รับใช้พระพุทธเจ้า เพราะในชาติก่อนเขาเคยทำทานเคยทําบุญใส่บาเคยรับใช้พระภิกษุสงฆ์เป็นนิสัยที่ติดตัวไปถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นเดรัจฉานแต่ใจก็ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ยังมีทานบา ร, รมีอยู่พอเขามีโอกาสได้ทำทานเขาก็จะท ำ, ท, ำทันทีถึงแม้ว่าจะเป็นเดรัจฉานก็ตาม เดรัจฉานนี้ก็ไม่เหมือนกันบางตัวก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่จะรับขโมยมีแต่จะกินจะกัดของคนอื่นบางตัวก็ดีมีมารยาทเรียบร้อยเชื่อฟังรักเจ้าของคอยเข้าบ้านคอยอะไรให้อันนี้ก็เพราะว่าใจนั้นถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นเดรัจฉาน แต่ใจก็ยังมีเขาของมนุษย์ของเทวดาอยู่เพียงแต่ว่าไปพลาดไปทำบาปเข้าพอเวลาตายไปเลยต้องไปเป็นเดรัจฉานก่อนพอหมดกรรมจากของการทำบาปแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะได้มาสร้างบารมีใหม่เพราะถ้ามีวัดก็อยากมีนิสัยก็อยากจะเข้าวัดเข้าวัดแล้วก็จะได้ยินได้ฟังธรรม ก็จะได้สร้างบารานีต่างๆนี่คืออธิษฐานบาราีสัจจะบาลาีพอเราตั้งใจแล้วเราต้องทำตามที่เราตั้งใจเราถึงจะได้บาราีและพอทำไปแล้วอาจจะเลิกทำก็ได้เพราะการสร้างบาราีนี้มันไม่ใช่เป็นของง่ายเหมือนกับการไปทำบาปเหมือนกับการไปทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ การทำไม่ดีนี่เป็นเหมือนเดินลงเขามันง่ายเช่นไปเที่ยวไปกินเหล้าเมายาไปเสพการไปประพฤติผิดประเวณีนี่มันง่ายแต่ถ้าให้รักษาศีลไม่เสพสุรายาเมาไม่เสพการนี่มันยากบางทีก็อาจจะทนไม่ไหวไม่มีที่ทนไม่ไหวก็เลยทำไม่ได้ ถ้าจะถ้าจะทำให้ทำได้ต่อไปต้องมีขันติบารมีด้วยต้องมีความอดทนในการทำความดีเวลาถึงเวลาเพื่อนมาชวนให้ไปดื่มสุราเพื่อนมาชวนให้ไปเที่ยวก็ต้องต้องต่อสู้กับความอยากที่จะไปกับเขาต้องมีความอดทนเรียกว่าขันติบารมีถ้าอดทนไม่ไหวทนไม่ไหว เดี๋ยวก็ต้องไปทําบาปต่อไปรักษาศีลไม่ได้แล้วก็ต้องมีวิริยะบา ร, รมีคือต้องขยันรักษาอยู่เรื่อยๆไม่ใช่รักษาเพียงวันเดียวอย่างวันนี้รักษาแค่วันพระและอาจจะไม่ครบวันรักษาเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงก็เลิกรักษาอย่างนี้เรียกว่าไม่มีวิริยะบา ร, รมีไม่มีความขยันหมั่นเพียร ถ้าเราตั้งอธิษฐานแล้วมีสัจจะแล้วเราก็ต้องมีวิริยะบารมีมีขันติบารมีจึงจะทําให้เราสามารถรักษาศีลบารมีได้เช่นเดียวกับบารมีอื่นๆก็ต้องมีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติบารมีถึงจะสามารถรักษาหรือสร้างบารมีต่างๆขึ้นมาได้ เมื่อกี้ได้พูดถึงทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีแล้วบา ร, รมีอีกข้อก็คือเมตตาบา ร, รมีเราต้องมีเมตตาเมตตาคือความปรารถนาดีความคิดดีหวังดีต่อผู้อื่นไม่คิดร้ายไม่ไม่ประทุษร้ายไม่ไม่หวังร้ายต่อผู้อื่นหวังให้ผู้อื่นเขามีความสุขเหมือนกับเรา เมตตาลูกเราเลิกเมตตาพี่น้องเราพ่อแม่เราฉันใดเราก็ต้องเมตากับสัปปสตว์สัตว์สัตว์เพสัตว์ตาอย่าท่านสอนให้เราแผ่เมตตาไม่เฉพาะแต่คนที่เรารักให้ให้แผ่เมตากับคนที่เราไม่รักด้วยและแผ่แผ่เมตตาให้กับคนที่เราโกรธเราเกลียดด้วยวิธีที่แผ่เมตากับคนที่เราโกรธเกลียด ก็คือเราต้องให้อภัยต้องให้อภัยในการกระทาของเขาที่ทำให้เราโกรธเขาเกลียดเขาถ้าเราให้อภัยได้เราก็จะไม่คิดร้ายเราก็จะคิดดีกับเขาเราคิดดีกับเขาเราก็มีเมตตาบารมีผู้ที่มีเมตตาบารมีนี้จะได้อานิสงส์หลายอย่างด้วยกันหนึ่งจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย คนที่มีเมต่านี้จะไม่มีใครโกรธไม่มีใครเกลียดเพราะจะไม่ทำอะไรให้กาพูดให้เขาต้องเดือดร้อนนั่นเองมีแต่ความคิดดีปรารถนาดีเวลาไปหาใครก็คิดจะหาขนมนมเนยไปฝากเขาอันนี้เรียกว่าคิดดีไม่ใช่เอาปืนผาหน้าไม้ไปหาเขาอันนี้เรียกว่าคิดร้ายนนคิดดีเราต้องเอาของดีๆไปฝากเขา ไปเที่ยวที่ไหนมาดีของดีของอะไรก็ซื้อมาฝากกันเรียกว่าแผ่เมตตาวันเกิดวันอะไรเขาก็ซื้อข้าวซื้อของไปให้เขาถึงแม้ว่าเขาจะทำให้เราโกรธเราเกลียดทำให้เราต้องเสีย อ, อกเสียใจแต่เราให้อภัยพอให้อภัยได้แล้วความโกรธความเกลียดก็จะหายไป ความเมตตาความปรารถนาดีก็จะกลับคืนมาได้คนที่ทำอย่างนี้จึงไม่มีศัตรูมีจะมีแต่คนรักมีแต่เพื่อนจะมีเทวดาคุ้มครองจะมีมนุษย์คุ้มครองเวลาอยู่ที่ไหนมีภัยจะมีคนมาดูแลเราทันทีนี่คือผลของความมีเมตตาจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย แล้วก็จะไม่ตายด้วยสัตวุธหรือยาพิษต่างๆจะไม่มีใครมาลอบวางยาพิษจะไม่มีใครรอบเอามีดเอาเปืนมายิงมาฆ่าเราเพราะเราไม่ได้ไปทำให้ใครเขาเสียหายไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็จะไม่มีใครมาโกรธมาเกลียดมาจองอาฆาตพยาบาทเราจะไม่ตายด้วยด้วยสัตวุธและยาพิษ แล้วจะตายแบบธรรมชาติเวลาตายไปก็จะไปเกิดในสุคติไปเกิดในที่ชอบนั่นก็คือไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นพระอาริยเจ้านี่คืออนิสงส์ของการมีเมตตาบารมีนอกจากนั้นเวลาเวลาอยู่ไม่ว่าตื่นหรือหลับก็จะมีแต่ความสุข เวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายนี่คืออา น, นิสงส์ของการแผ่นเจริญเมตตาบา ร, รมีเราควรจะเจริญกันอยู่เรื่อยๆวิธีเจริญไม่ใช่เจริญตอนที่เราอยู่คนเดียวนั่งไหว้พระสวดมนต์แล้วก็สวดสัพเพสัตตาเอาเวลาโหนตุอันนี้เป็นการทาการบ้านเป็นการเตรียมตัวเป็นการซ้อมไว้ก่อน เอาเวลาโหนตุก็คือไม่จองเวรจองกรรมอัปยาปัชชาโหนตุก็แปลว่าไม่เบียดเบียนกันสุขีอัตานาปัลิหะรันตุอยากให้คนอื่นเขามีความสุขกันอันนี้เราซ้อมเตรียมไว้ก่อนแล้วเวลาเราไปเจอคนนั่นแหละเป็นเวลาที่แผ่เวลาพบปะ ก, กับใครก็ต้องแผ่ความสุขให้กับเขาความหวังดีให้กับเขา ที่เราเวลาเราเจอกันเราน้างจะยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันสวัสดีสบายดีหรือไปไหนมาไหนนี่แหละเรียกว่าเป็นการแผ่เวลาที่เขาทําอะไรไม่ดีพูดอะไรไม่ดีแทนที่จะโกรธก็อะไม่เป็นไรช่างหัวมันบาของมันห้ามมันไม่ได้โกรธมันก็เท่านั้นโกรธมันเราก็ร้อนไปเปล่าๆแล้วเราจะกลายเป็นคนไม่ดีไป ถ้าให้อภัยได้ไม่ถือสาเราก็จะแผ่เมตตาต่อไปได้แล้วเราก็จะไม่มีศัตรูเราก็จะมีแต่มิตรจะมีคนละเทวดาคอยคุ้มครองเราไม่มีใครมาปองร้ายปองชีวิตเรานี่คือเรื่องของการเจริญทานาเมตตาบารมนะีพอมีเมตตาก็จะทำทานบารมีได้ พออยากจะช่วยคนนั้นช่วยคนนี้อยากจะให้เขามีความสุขนะก็จะยินดีที่แบ่งปันมีข้าวมีของ ม, มีเงินมีทองให้ให้คนอื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนได้แล้วก็จะมีศีลบา ร, รมีจะไม่ชอบเบียดเบียนจะไม่อยากทำร้ายผู้อื่นนะี่คือบา ร, รมีสข้อข้อที่สก็คือเนธธรรมะบา ร, รมีนะ เนคขมมบาบารมีก็คือการสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบของใจละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างวันิีญาติโยมมาซือศีลแปดกันเรียกว่าสร้างเนคขมมะบรารมีเนคขมมาแปลว่าการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เช่นคืนนี้จะไม่หลับนอนกับแฟนหนึ่งคืนจะไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะไม่ดูหนังฟังเพลงร้องราทำเพลงมหาความสุขจากเครื่องมหรสมบันเทิงต่างๆจะละเว้นจากการเสริมเสริมความงามเสริมเสริมหน้าเสริมตาเสริมผ้าเสริมผมด้วยการใช้เครื่องสำอางน้ำมันน้ำหอม หรือการเสริมด้วยการใส่เสื้อผ้าที่วิจิตพิสดารวันนี้จะไม่หาความสุขแบบนี้จะหาความสุขจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเรียกว่าเนคขรรมะบา ร, รมีแล้วก็อุเบกขาบา ร, รมีก็คือผลที่เกิดจากการนั่งสมาธินั่นเองการนั่งสมาธินี้ก็เพื่อทำใจให้เป็นอุเบกขา อุเบกขาก็คือใจปราศจากอารมณ์ต่างๆอารมณ์ที่ไม่ควรจะมีก็คือความรักความชังความกลัวความหลงอันนี้แหละเรียกว่าอารมณ์ถ้านั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้อารมณ์รักชังกลัวหลงนี่จะหายไปจะเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ใจจะรู้เฉยๆ ไม่ยินดียินร้ายไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถ้าไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงก็จะไม่ไปทำอะไรให้เกิดความเสียหายขึ้นมาถ้ามีความรักก็จะไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศีลและธรรมได้ถ้ามีความชังก็เหมือนกันมีความกลัวก็เหมือนกันมีความหลงก็เหมือนกันจะไม่สามารถรักษาความดีงามต่างๆไว้ได้ ถ้าใจมีอุเบกขาใจมีความสงบความเป็นกลางปราศจากอคติทั้งสี่คือรักชังกลัวหลงใจก็จะตั้งอยู่ในความดีงามต่างๆได้ใจก็จะทำทานได้รักษาศีลได้จะเิศเนคขมมะบา ร, รมีได้ นี่คืออุเบกขาบารมีอุบบารมีข้อสุดท้ายเรียกว่าปัญญาบารมีปัญญาบารมีก็คือความรู้ความฉลาดที่จะทำให้เราดับความโมง่เขลาเบาปัญญาที่หลอกให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ทุกวันนี้ได้กานะรที่เรามาเกิดแก่เจ็บตายนี้เราไม่รู้ว่าปีสาเหตุมาจากอะไร ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้ยินพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้และเราก็จะไม่มีวันที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่พอเรามาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ยินคำสอนที่สอนว่าตัณหาความอยากนี่แหละเป็นตัวเชื้อของภพชาติต่าง ความอยากนี่แหละที่ดันให้เราต้องไปเกิดใหม่เพราะเวลาเราอยากนี้เราอยู่เฉยๆไม่ได้เวลาเราอยากนี้อยู่ในบ้านเฉยๆได้หรือเปล่าอยู่ไม่ได้ต้องออกนอกบ้านอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานเรียกว่ากามาตัานหาอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากเล่าอยากรวยเรียกว่าภาวะทันหาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่จน เรียกว่าวิภาวะตันหาถ้ามีตันหาสามตัวนี้มันก็จะดันใจเราให้ไปนู่นมานี่กันไปแล้วก็ไม่ได้อะไรไปก็เหมือนเดิมไปแล้วความอยากก็ไม่หมดเราจึงกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเกิดมากบเกิดมากี่ภพกี่ชาติความอยากก็ไม่หมดพอตายไปความอยากที่มีอยู่ในใจก็พาไปเกิดใหม่ ถ้าไม่อยากจะเกิดเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอาหารหันต์ก็ต้องตัดความอยากวิธีตัดความอยากก็คอยสอนใจเตือนใจว่าความอยากนี้จะทำให้เราต้องไปทุกข์ต่อไปต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายหยุดความอยากแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่เรียกว่าฟัญยาบา ร, รมีต้องฟังอยู่เรื่อย ฟังแล้วก็เอามาเตือนใจอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆต่อไปก็จะหยุดความอยากได้หยุดความอยากได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปเพราะทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้ายังมีการเกิดอยู่ต่อให้มาเกิดเป็นมหาเศรษฐีก็ยังมีความทุกข์อยู่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย เพรามีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายจะไม่ทุกข์กับอะไรทั้งนั้นนี่คือปัญญาบาณีที่จะเกิดขึ้นถ้าญาติโยมมาวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆก็จะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาแล้วก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้กลายเป็นพาาระอรหันต์ได้ต่อไป จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามหมั่นมาสร้างบุญบา ร, รมีกันมาสร้างทรัพย์ภายในกันเพื่ออนาคตที่จะมีแต่ความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนใจและบุญกุศล